บทภาชนีสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้354ภิกษุสร้างกุดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎสองตัวกับอบัตสังคาทิเศตหนึ่งตัวภิกษุสร้างกุดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎกับอบัตสังคาธิเศต ภิกษุสร้างกุงงงกกฎีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกดกับอบัตสังคาทิเศษภิกษุสร้างกุฎีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังคาทิเศษสงแสดงพื้นที่ให้355ภิกษุสร้างกุฎีที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตราย เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎสองตัวภิกษุสร้างกุดีที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎภิกษุสร้างกุดีที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎภิกษุสร้างกุดีที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัตสร้างเกินขนาดภิกษุสร้างกุฎีเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎสองตัวกับอบัตสังฆาธิเศนหนึ่งตัวภิกษุสร้างกุฎีเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎกับอบัตสังฆาธิเศนภิกษุสร้างกุฎีเกินขนาด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 ภิกษุสร้างกุฏิเกินขนาดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังฆาทิเศษสร้างได้ขนาดภิกษุสร้างกุฏิได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกดสองตัวภิกษุสร้างกุฏิได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกดภิกษุสร้างกุฏิได้ขนาดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตราย เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎพิสูุสร้างกุดีได้ขนาดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัตสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดภิกษุสร้างกุฎีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎสองตัวกับอบัตสังฆาทิเศษสองตัว ภิกษุสร้างกุฏิที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎหนึ่งตัวกับอบัตสังฆาธิเศษสอตัวภิกษุสร้างกุฏิที่สง์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎหนึ่งตัวกับอบัตสังฆาธิเศษสองตัวภิกษุสร้างกุฏิที่สง์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้ สร้างเกินขนาดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังฆทิศสองตัวสงแสดงพื้นที่ให้สร้างได้ขนาดภิกษุ rain, สร้างกุฏิที่สงแสดงพื้นที่ให้สร้างได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎสองตัวภิกษุสร้างกุฏิที่สงสดงพื้นที่ให้สร้างได้ขนาด เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎพิสษุสร้างกุดีที่สง์แสดงพื้นที่ให้สร้างได้ขนาดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎพิสูจสร้างกุดีที่สงสแดงพื้นที่ให้สร้างได้ขนาดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัตสั่งสร้างกุดีที่สง์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้ 356ภิกษุสั่งว่าจงสร้างกดดีให้เราผู้รับคําสั่งสร้างกดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎสองตัวกับอบัตสังฆาธิเศตหนึ่งตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎกับอบัตสังฆาธิเศตเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ ต้องอบ to ัตทุกกฎกับอบัตสังคาทิเศษเป็นพื้นที่ไ <Oak> ม <rainfall through> ่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังคาทิเศษสั่งสร้างกุฎีที่สงแสดงพื้นที่ให้ภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฎีให้เราผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตราย เป็นพ um ื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัตสั่งสร้างก็ดีเขาสร้างเกินขนาดภิกษุสั่งว่าจงสร้างก็ดีให้เราผู้รับคาสั่งสร้างก็ดีเขาสร้างเกินขนาด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 เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังพาทิเศรสังสร้างกุฎีเขาสร้างได้ขนาดภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฎีให้เราผู้รับคาสั่งสร้างกุฎีได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฏสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฏ เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอะบาดทุกกฏเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอะบาดสั่งสร้างคุดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เขาสร้างเกินขนาดภิกษุสั่งว่าจงสร้างคุดีให้เราผู้รับคําสั่งสร้างคุดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ ต้องอบัต ท, ทุกดฎสองตัวกับอบัตสังคธิเศสสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎหนึ่งตัวกับอบัตสังคติเศสสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎหนึ่งตัวกับอบัตสังคธิเศสสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังคธิเศสสองตัว สั่งสร้างคด mm. ีที่ทรงแสดงพื้นที่ให้เขาสร้างได้ขนาดภิกษ yes ุส <|no|> ั่งว่าจงสร้างคดีให้เรารับคําสั่งสร้างคดีท umm ี่ทรงแสดงพื้นที่ให้สร้างได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎ เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัติหลีกไปไม่ได้สั่งสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้357ร้อสิกสูตสั่งว่าจงสร้างกุฎีให้เราแล้วหลีกไปแต่ไม่ได้สั่งว่ากุฎีนั้นสงต้องสแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบ รับคําสั่งสร้างคดีที่ส่งไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอวบตุกกฎสองตัวกับอบับสังฆาธิเศษ1ตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอวบตุกกฎกับอบวบสังฆาธิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอวบตุกกฎกับอบวบสังฆาธิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอวบตุกกฎกับอบวบสังฆาธิเศษ เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้อง graduate, อบัดสังคาธิเศตหลีกไปไม่ได้สั่งสงแสดงพื้นที่ให้ภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุดีให้เราแล้วหลีกไปแต่ไม่ได้สั่งว่ากุดีนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบพร้อมคำสั่งสร้างกุดีที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ ต้องอบัตทุกกดสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัตหลีกไปไม่ได้สั่งเขาสร้างเกินขนาดภิกษุสั่งว่าจงสร้างก็ดีให้เราแล้วหลีกไปแต่ไม่ได้สั่งว่า คดีนั้นต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบผรับคําสั่งสร้างคดีให้เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบวบทุกกฎสองตัวกับอบวบสังฆาธิเศษหนึ่งตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบวบทุกกฎกับอบวบสังฆาธิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีอันตราย เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทกกฏกับอบัตสังฆาทิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังฆาทิเศษหลีกไปไม่ได้สั่งเขาสร้างได้ขนาดภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุดีให้เราแล้วหลีกไปแต่ไม่ได้สั่งว่ากุฎีนั้นต้องสร้างได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบ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 เขาสร้างเกินขนาดภิกษุสัส่งว่าจงสร้างกุดีให้เราแล้วหลีกไปแต่ไม่ได้สั่งว่ากุดีนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องสร้างให้ได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบ ร, รับคําสั่งสร้างกคดีพิสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตราย <G> เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตรทุกกฎสองตัวกับอวับสังคติเศสน์สองตัว เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎหนึ่งตัวกับอบัตสังฆาธิเศษสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎหนึ่งตัวกับอบัตสังฆาธิเศษสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังฆาธิเศษสองตัวเลี่ยงไปไม่ได้สั่ง สงแสดงพื้นที่ให้เขาสร้างได้ขนาดภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฎีให้เราแล้วหลีกไปแต่ไม่ได้สั่งว่ากุฎีนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องสร้างให้ได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและมีบริเวณโดยรอบผรับคำสั่งสร้างกุฎีที่สงแสดงพื้นที่ให้สร้างได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุ ก, กฎสองตัว เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริ ers, เวณโดยรอบต้อง ers, อวดทุกกดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพ <oh ื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอวดทุกกฏเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอวดสร้างผิดคำสั่งสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้358ภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุดีให้เราแล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่า กุฎีนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคําสั่งสร้างกุฎีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษูนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกุฎีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เราเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษูนั้นพึงไปเองหรือสงทูดไปบอกกุฎีนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบถ้าเธอไม่ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอกต้องอบัตรทุกกฎภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราและหลีไปและได้สั่งว่ากุฏินั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผรับคําสั่งสร้างกุฏ like ิที่สงไม่ได <mar necesita> ้แ <requ am ined> สดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกดดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เราเป็นพื้นที่มีอันต ร, รายเป็นพื้นที่มีบริเวณเดยรอบภิกษุนั้นพึงไปเองหรือสงทูตไปบอกว่าสงต้องแสดงพื้นที่ให้และต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันต ร, รายถ้าเธอไม่ไปเองหรือสงทูตไปบอกต้องอาบัตรทุกกภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุดีให้เราแล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่า คดีนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผรับคําสั่งสร้างคดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างคดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เราเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นพึงไปเองหรือสงทษไปบอกว่า สรงต้องแสดงพื้นที่ให้และต้องมีบรเิเวณโดยรอบถ้าเธอไม่ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอก <Soul> ต้องอบัตรทุกกฎสร้างผิดคําสั่งสรงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้ภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุดีให้เราแล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่าคดีนั้นทรงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและ <head> ต้องมีบร Rob. ิเวณโดยรอบผู้รับคําสั่งสร้างก <thank> ุงดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้ เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษูรนั้นทราบข่าวว่าพขาสร้างคดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เราเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบพิกษูรนั้นพึ่งไปเองหรือสงทูดไปบอกว่าสงต้องแสดงพื้นที่ให้ถ้าเธอไม่ไปเองหรือไม่สงทูดไปบอกต้องอบัติทุกกฎสร้างผิดคําสั่งสงแสดงพื้นที่ให้ ภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฎีให้เราแล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่ากุฎีนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบรับคําสั่งสร้างกุฎีที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกุฎีที่สง์แสดงพื้นที่ให้เราเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือส่งทูตไปบอกว่าต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบถ้าเธอไม่ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอกต้องอาบัตทุกกฎภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุดีให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุดีนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบออรอบคาบสั่ง สร้างกุดีที่สงสแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นทราบข่าวว่าขอสร้างกุดีที่สงสแสดงพื้นที่ให้เราเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นพึงไปเองหรือสงทูตไปบอกว่าต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายถ้าเธอไม่ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอกต้องอบัตทุกกฎ ภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฏินั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบ ร, ริเวณโดยรอบรับคําสั่งสร้างกุฏิที่สงแสดงพื้นที่ให evet> ้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกุฏิที่สง์แสดงพื้นที่ให้เราเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือส่งทูตไปบอกว่าต้องมีบริเวณโดยรอบถ้าเธอไม่ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอกต้องอบัตทุกกฎภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฏินั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคําสั่งสร้างกุฏิที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัต สั่งได้ขนาดเขาสร้างเกินขนาด359ภิกษุส right. ูั่งว่าจงสร้างกุฎีให้เราแล้วหลีดไปและได้สั่งว่ากุฎีนั้นต้องได้ขนาดต้องเป็นพื Resources> ้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคําสั่งสร้างกุฎีให้เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษูนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกุฎีให้เราเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตราย เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิษสูนั้นพึงไปเองหรือส่งทูตไปบอกว่าต้องให้ได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบต้องได้ขนาดและต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องได้ขนาดและต้องมต้องมีบริเวณโดยรอบต้องได้ขนาดถ้าเธอไม่ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอกต้องอาบัตทุกกฎสั่งได้ขนาดเขาสร้างได้ขนาด ภ no ิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฎ yup)> ีให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฎีนั้นต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผรับคําสั่งสร้างกุฎีให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกุฎีให้เราได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นพึงไปเองหรือส่งทูตไปบอกว่า ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัดสั่งสร้างกุฎีทรงแสดงพืพ้นที่ให้ได้ขนาดเขาไม่ได้รสร้างตามสั่ร้6 0ภิิกษุสั่งว่าจงสร้างกุดีให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุดีนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องได้ขนาด ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคําสั่งสร้างคดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิกสุนั้นทราบข่าวว่าพขาสร้างคดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เราเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบเธอพึงไปเองหรือสงพูดไปบอกว่าสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องได้ขนาด ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องได้ขนาดและต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องได้ขนาดและต้องมีบริเวณโดยรอบสงต้องแสดงพื้นที่ให้และต้องได้ขนาดถ้าเธอไม่ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอกต้องอาบัตทุกกฎสั่งสร้างกุดีสงแสดงพื้นที่ให้ได้ขนาด เขาสร้างตามสั่งภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฎีให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฎีนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคําสั่งสร้างกุฎีที่สงแสดงพื้นที่ให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกุฎีที่สงแสดงพื้นที่ให้เราได้ขนาด เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบเธอพึงไปเองหรือส่องทูดไปบอกว่าต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัติภิกสูตสั่งว่าจงสร้างกุฎีให้เราแล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่ากุฎีนั้นทรงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบ รับคำสั่งสร้างกดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุสร้างต้องอบัตทุกฎสตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุสร้างต้องอบัตทุกฎสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุสร้างต้องอบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตราย เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษูสร้างต้องอบัตทุกกฎสร้างผิดคําสั่งสงสแสดงพื้นที่ให้ภิกษูสั่งว่าจงสร้างกุฎดีให้เราแล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่ากุดีนั้นสงต้ตองสแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบพราับคําสั่งสร้างกุดีที่สงสแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตราย ah เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ ภิกษุผู้สร้างต้องอบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัตสร้างผิดคําสั่งสร้างเกินขนาดภิกษุสั่งว่า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 เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอวบทุกกฏสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอวบทุกกฏสร้างผิดคําสั่งสร้างได้ขนาดภิกษุสั่งว่า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 ภิกษุรับคำสร้างกฎดีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอบัตทุกกดสตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอบัตทุกกฎสตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอบัตทุกกดสามตัว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 ได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบพิกษุผู้สร้างต้องบัรทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบพิสูจผู้สร้างต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอบัดทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัด ทรงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างค้าง361ภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฎีให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคําสั่งสร้างกุฎีที่สรงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบถ้าเขาสร้างค้างไว้พิกษุนั้นกลับมาพึงให้กุฎีนั้นแก่พิกษุอื่นหรือรื้อสร้างใหม่ถ้าไม่ให้ แก่ภิกษุอื่นหรือไม่รื้อสร้างใหม่ต้องอบัตตุ ก, กฎ2ตัวกับอบัตตุสังฆาธิเศษหนึ่งตัวภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคําสั่งสร้างกุฏิที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบถ้าเขาสร้างค้างไว้ภิกษุนั้นกลับมาพึงให้กุฏินั้นแก่ภิกษุอื่นหรือรื้อสร้างใหม่ถ้าไม่ให้แก่ภิกษุอื่นหรือ ไม่รื้อสร้างใหม่ต้องอตบทุกกฏกับอวบสังฆาทิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอวบทุกกฎกับอวบสังฆาทิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอับสังฆาทิเศษทรงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างค้างภิกษุสั่งว่าจงสร้างก็ดีให้เราแล้วหลีกไป รับคำสั่งสร้างกฎีที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบเท่าเขาสร้างข้างไว้ภิกษุนั้นกลับมาพึงให้กุฎีนั้นแก่ภิกษุอื่นหรือรื้อสร้างใหม่ถ้าไม่ให้ภิกษุอื่นหรือไม่รื้อสร้างใหม่ต้องอบัตทุ ก, กฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุ ก, กฎ เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัตสร้างเกินขนาดสร้างค้าง362ิพิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฎีให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ ถ้าเขาสร้างค้างไว้ภิกษุนั้นกลับมาเพิงให้ก็ดีนั้นแก่ภิกษุอื่นหรือหรือสร้างใหม่ถ้าไม่ให้พิกษุอื่นหรือไม่รื้อสร้างใหม่ต้องอบัดทุกกฎสองตัวกับอบัดสังฆาธิเศตหนึ่ง ต, ตัวเ ป, ตรร เ, ปเป็นพื้นที่มีอันต ร, รายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัดทุกกฎกับอบัดสังฆาธิเศตเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัดทุกกฎกับอบัตสังฆาธิเศต เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุบกดสองตัวกับอบัติสังฆาธิเศตหนึ่งตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัติสังฆาธิเศตสร้างได้ขนาดสร้างค้างภิกษุสั่สงว่าจงสร้างกุฎีให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคําสั่งสร้างกุฎีให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ ถ้าเขาสร้างค้างไว้ภิกษุนั้นกลับมาพึงให้กุีินั้นแก่ภิกษุอื่นหรือหรือสร้างใหม่ถ้าไม่ให้ภิกษุอื่นหรือไม่รือสร้างใหม่ต้องอบัตทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณเดารอบต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณเดารอบต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณเดารอบไม่ต้องอบัต สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดสร้างค้างภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฎีให้เราแล้วหลีกไปรับคำสั่งสร้างกุฎีที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบถ้าเขาสร้างค้างไว้ภิกษุนั้นกลับมาพึงให้กุฎีนั้นแก่ภิกษุอื่นหรือรื้อสร้างใหม่ถ้าไม่ให้ภิกษุอื่นหรือไม่รื้อสร้างใหม่ ต้องอบัตทุกกฎสองตัวกับอบัตสังฆาธิเศษสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎหนึ่งตัวกับอบัตสังฆาทิเศษสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎหนึ่งตัวกับอบัตสังฆาทิเศษสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตสังฆาธิเศษสองตัวสงแสดงพื้นที่ให้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 เป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอบัตทุกกฎพิกษุสั่งว่าจงสร้างกุณดีให้เราแล้วหลีกไปผรับคําสั่งสร้างกุณดีที่สงสแสดงพื้นที่ให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอบัต Grammar, สร้างค้างสร้างต่อสามร้ดีตนสร้างค้างไว้ภิกษุสร้างต่อจนสําเร็จด้วยตนเองต้องอบัตสังฆาธิเศตคนดีตนสร้างค้างไว้ภิกษุใช้บู้นสร้างต่อจนสําเร็จต้องอบัตสังฆาธิเศตคนดีผู้อื่นสร้างค้างไว้ภิกษุสร้างต่อจนสําเร็จด้วยตนเองต้องอบัตสังฆาธิเศตคนดีผู้อื่นสร้างค้างไว้ภิกษุ ใช้ภูิสร้างต่อจนสำเร็จต้องอบัตสังคารทิเศษ